พ ร, ระธรรมเทศนาแผนที่81ประกับที่26โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดุดอกรทีแสดงธรรมในวันที่26เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าทํรโรฐานต้องใจ ก, กว้าง เขาไม่ได้คิดว่าเครื่องไฟฟ้ามันจะพังนะออบางทีเครื่องดีๆเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรเนี่ยพังกระจุยกระจายไปหมด <c oughs> ถ้าอยู่อํเาเภอนา ย, ยุงแต่ถึงยังไง เ, ออเราก็ต้องอดทนฮะความอดทนนั่นแหละ เ, ออเป็นตะปะอย่างยิ่งออถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้ไฟดับไปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใช่ไหมล่ะมันก็ไกลเกินไปเพวัะนั้นเราอยู่ที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละไฟอํเาเภอนา ย, ยุง สามวันดีสี่วันไข่ไปเรื่อยเนะ่ยทีนี้คือพี่น้องประชาชนทัธาญาติโยมจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้ปรรบกันว่าพระสมบิณธบาตในสี่หมู่บ้านเนะ่เขาเป็นพูดเป็นตัวแทนของพวกเราเขาใส่บาตรครูบาอาจารย์ทุกวันเพราะนั้นปีหนึ่งวันเกิดของหลวงพ่อเนะี่ยพวกเราจะมีอะไรสัมนา บุญคุณกับพี่น้องแบ่งบุญจากพี่น้องจากชาวบ้านดีไมเนี่ยก็เลยป่ารบกันขึ้นมาเระจะมีของมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็คงจะมีการแจกเหมือนกันนะมีข้าวสารน้าตาลน้าปลาน้ามันพืชสี่รายการแต่ก็ไม่มาก เป็นเพียงน้ำใจของพี่น้องประชาชนแต่ทั้งหมดก็ทั้งสี่หมู่บ้านก็เป็นทั้งหมดหกหมู่บ้านไม่ใช่เพราะว่าหมู่บ้านเค้เขาแบ่ง เ, เขาแบ่งเป็นผู้ใหญ่ บ, บ้านก็จเป็นหกหมู่บ้านนะรวมกันแล้ว911หมู่บ้านนะ9 1้หมู่บ้านหลวงพ่อเลยถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ล่ะป อ, อขนาดของเล็กๆน้อยๆเท่นนะนะนานนตะทาญาติโยม แต่น้ำใจของพี่น้องประชาชนต่างถิ่นก็มาช่วยกับที่พี่น้องประชาชนที่ตักบาตร ท, ทาบุญตักบาตรครูบาอาจารย์ทุกเช้า เ, เป็นเงินทั้งหมด 4,69,270 บาทอันนี้คุณปอเพิ่งเอาให้เมื่อกี้นี่น้ครับว่าพวกกลุ่มศรัทธาญาติโยมเนี่ยซื้ออาหารซื้อของที่จะมาแจก ให้ครอบครัวผู้ที่อยู่ใน4หมู่บ้านเนี่ยมีหนึ่งร้อบเอครอบครัวน1 1เรอบครอบครัวแล้วก็เป็นของที่สำรวยที่จะแจกในวันนี้นแจกให้เฉพาะมีรายชื่อในหมู่บ้านเป็นเงินทั้งทั้งหมด 469,270 านบาทแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเอง ก็มาคิดดูว่าเราให้แต่อาหารการบริโภคอย่างเดียวเราก็ควรจะให้อาหารทางจิตทางใจด้วยคือให้อาหารคือให้ธรรมะหลวงพ่อก็ได้ให้ท่านอาจารย์รัตนะแล้วก็คณะรถไฟมีในช่างวา น, นิชกลุ่มรถไฟเนะี่ยช่วยกันคิดแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือหนังสือธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ย ที่เ p 3เป็นเล่มออกมาก็จะแจกวันพุ่งนี้ะจะแจกวันพุ่งพุ่งนี้แล้วก็จะมี mp 3 10แผ่นถ้าว่าผู้ใดยังดังยังได้นะยังสนใจแล้วก็มารับได้วันพุ่งนี้ mp 3 10แผ่นหลวงพ่อเทศต่างกลัมต่างวาระตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาที่แต่ในพรรษามาแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็พระท่านขออัดใส่ MP3 แจกอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาแต่รวมทั้งหมดแล้วประมาณ70กว่าแผ่นแล้วนะคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลาน MP3 มกองหลวงพ่อและก็พร้อมกับหนังสือจะแจกวันพรุ่งนี้แล้วจะมีของออมีกมีถุงด้วยนะมีถุงคุณโชมโชมสเลาปน ทำมาให้สำหรับใส่แจกให้พี่น้องลูกหลานอีกวันพรุ่งนี้จะเป็นของซ้ำซ้รวยสำหรับแจกพี่น้องประชาชนที่มาในวันพรุ่งนี้และก็พร้อมกันขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนั้งอยู่ในละแวกนี้หรือว่าผู้ใดยินเสียงพูดต่อๆกันด้วยวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเลี้ยงเต็มที่ เลี้ยงกลวยเตี๋ยวนะไม่รู้กลวยเตี๋ยวไม่รู้โ ก, โกโก้โกาแฟอะไรก็ไม่รู้ละอมามาเลือกดื่มเลือกทานได้เลยเทั้งหมดหลวงพ่อท ร, ทราบมาว่าโรงทานของหลวงพ่อที่คณะสัตย า, าญาติโยมแสดงความจำนงมาตั้งโรงทานนะ่ทั้งหมดที่หลวงพ่อทราบเมื่อวานนะแต่วันนี้ยังพระก็ยังไม่ได้รายงานหลวงพ่อบอกว่าโรงทานทั้งหมด 210 210กว่าโรงทานหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินแรวขอโอ้ขอบขอบุญขอบคุณคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแสดงออกซึ่งน้ำใจที่จะมาตั้งโรงทานเลี้ยงพี่น้องลูกหลานในชนบทในแถบถินนี้เพราะแถบถินนี้ก็เป็นจุดท้ายปลายแดนของเมืองอุดรถ้าจะว่ากันดานไหมก็อยู่ในถิ่นที่กันดานพอสมควร แต่ว่าเมื่อช่วงหลังๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาน้อยนึงคือยางราคามันแพงขึ้นมาใช่แต่ทุกวันยางราคาตกเนี่ยพี่น้องชาวอำเภอนายูงน้ำสวมก็คอตกไปด้วยเหมือนกันนะพอพอเห็นว่ารายได้ที่เคยได้มาก็ย่าแย่พอสมควรเพราะนั้นวันพรุ่งนี้หละพี่น้องลูกหลานในถิ่นนี้หลวงพ่อจะเลี้ยงอาหาร อาหารหวานขาวที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมที่มาในงานของหลวงพ่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคณะศรัทธาญาติโยมทั่วนหน้ากันปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งที่พวกเราได้มาพบมาเจอกันพวกอยู่ทางไกลก็มาไม่ได้ก็เอา้าก็ไม่ว่ากันหนะลวงพ่อมีส่งกระแสจิตส่งกระแสใจให้ลูกหลานทุกคนสุข ก, กายสุขใจ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบรื่นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมให้คลุกคลักนะอย่าให้อย่าให้สําเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยส่งเสริมแต่ความดีถ้าสิ่งไหนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีมีเหตุมีผลเป็นศีลเป็นธรรมในเรื่องนั้นให้สําเร็จ ร, รุ่งร่วงอย่าได้มีอุปสรรค ร, ราบรื่นแต่สิ่งไหนที่มันขุกคลัก ที่เป็นทางที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเสียงนั้นอย่าให้สำเร็จนะใครๆมีอุปสรรคขัดขวางเอาไว้ให้บุญกุศลไปขัดขวางความชั่วเอาไว้เพราะนั้นผู้อยู่ไกลหรื อ, อยู่ใกล้ที่มาแล้วก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของสินธธรรมทุกคู่ทุกคนนะ่ให้สมหวังดังปราถนาที่มาร่วมในงาน วันเกิดของหลวงพ่อได้เสียสละทุนทรัพย์มากน้อยแล้วก็ให้ได้บุญกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของงานเป็นหลวงปู่หลวงตาก็ขออบขอบขอกขอบใจกับพี่น้องสัตยา ญ, ญาติโฉมโลูกหลานล่วงหน้านะถึงแก ย, ยังไม่ยังยังไม่เสร็จยังไม่สําเร็จยังไม่ได้มาตั้งลงทานแต่แสดงความจํานงไว้แล้วหลวงพ่อเองก็ขอบขอบคุณล่วงหน้าเหมือนกัน ขอให้งานทุกงานงานวันพรุธนี้ให้สําเร็จร่วงไปด้วยดีราบรื่นให้ช่วยๆกันเนะ่พี่น้องลูกหลานแสดงออกซึ่งน้ําใจเพราะว่าวางท่านบางคนมาตั้งโรงทานาก็บางทีมาเห็นก็เห็นพี่น้องจัดทาญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อนบางทีก็ทํำอากับกิริย า, าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมยังไงก็ย้อนยว น, ยวนกันนะ่ลูกหลานนะ พวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วก็เห็นลูกหลานมาก็เอา้เอาวถ้าเขาข อ, อาไม่เกินประมาณเราก็แจกให้เขาพอหลวงพ่อเคยเล่าเป็นนิทานเป็นชาดกาในครั้งพระพุทธกาลนางสามาวดี เ, เป็นลูกเศรษฐีคล้ายๆกับเป็นลูกเศรษฐีอีกเมืองหนึ่ง อันนี้เกิดนี่แหละโรคอหฮิวาตะกระโรคเนี่ยโรคตายหานะ่าจากนั้นคนในเมืองก็แตกหนี้งนะแต่เา ค, คือคนสมัยนั้นเขาจะไม่ได้ห่วงบ้านนะถ้ามีโรคตายหา่าขึ้นมาเขารีบหนีต่างคนต่างหนีไปคนละทิศทางกันทําไมหมันตายจริงๆตอนนี้นกัสอบพ่อแม่ลูกมานะมาจนถึงกรุงสาวัตถีไม่ถึงกรุงกรุงอุเชนีหย พอเนี่นจะเข้าไปในเมืองแต่นี้ไปถึงประตูประตูเมืองประตูเมืองก็เลยปิดพ่อแม่ลูกก็เลยไปนอนอยู่ศาลากะนอกเมืองอพอไปนอนศาลานอกเมืองเห็นเมืองอินเดียบางคนเอเห็นนอนที่ไหนก็นอนกันอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครฮะแต่นี่เขาเป็นเศรษฐีตอนนี้ก็มานอนพรุ่งนี้เช้าก็เขาตั้งโรงทานอโคสกะเศรษฐีตั้งโรงทาน อยูประตูเมืองสีมส่มุมเมืองแล้วก็ในเมืองแล้วก็หน้าบ้านแต่นี้นเขาก็ตั้งโรงทานไว้แต่แต่เขาก็ตั้งบ้านอยู่ใกล้ๆโรงทานเหมือนกันนะบ้านเศรษฐีเนี่ยวันนั้นเศรษฐีที่เป็นมาจากต่างเมืองเนี่ยที่ตกทุกข์ในยากวิ่งนี้โรคอหิวาตากโรคหนึ่งเขามาพักอยู่ในในในศาลา ในศาลาที่นอกเมืองพอพวกนี้เช้ามากับพ่อแม่ก็เลยบอกเอ้ยลูกไปรับของทานมาจากมาให้พ่อให้แม่เผื่อพ่อแม่ด้วยนะยนางสามอวดีก็คงจะเป็นเด็กสาวๆประมาณสิบสาสี่ในช่วงนี้กำลังนะยังเป็นเด็กหนุ่มกําลังขี้อายนะยแตร่รู้เรื่องแต่ขี้อายอยู่ดังนั้นก็มาขอ มาขออาหารจากพ่อครัวที่เขาทําโรงทานนะอย่างพวกเราทําโรงทานนี่แหละกําลังทําครุขคลักครุกุคลักอยู่งั้นนะเด็กน้อยก็ยกมือไหว้หนูขอสามถุงข่านะพ่อครัวเขาก็จัดการให้สามถุงแต่เขาก็มาได้ถามนะจัดให้เลยสามถุงเขาคงจะอาไปให้ใครเด็กดิก้งก็ได้ถือมามาก็มาให้ ตัวเองก็มาทานถุงหนึ่งแต่พ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับแม่ผู้แม่เนี่ยรักรักพ่อว่างั้นเถอะเออโอ้ถึง ต, ตัวเองจะทุกข์ลาบากหิวแต่ก็ควรจะให้พ่อบ้านทานพราะเห็นพ่อบ้านหิวโหวยอ่อนแรงมากๆากนะก็เลยให้พ่อบ้านทานทานทานหมดพ่อบ้านก็ทานมากเกินไปสองถุงนไงมันะมก็จุกไทเนี่ยออพอจุกตอนนั้น่ะในคืนนั่นกัอาหารเป็นพิษพ่อบ้านตายอีกนไง ขอตาในแม่บ้านก็รู้สึกว่ามีทกใจอยู่ในใจพอแรงแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไปให้ลูกสาวไปขออาหารอีก เ, อ เ, อเด็กาสามาวาดีนี่ก็ปนมมือไหว้เขาแล้วก็วันนี้ขอสองถุงค่า <c oughs> เขาก็จัดสองถุงใหเ้เรามาให้แม่กินอีกแม่ก็คงจะช้ำอกช้ำใจพแม่ตายเอเีไง ในคืนนั้นยังเหลือแต่เด็กสามาวดีตัวเดียวทีนี่มาที่สามมากระยกมือไหว้เขานด้วยน้ำตาด้วยวันนี้ขอถุงหนึ่งข่าทางพ่อครัวกระตวาด แ, แต่เนี่ยเพิ่งรู้จักท้องตัวเองวันนี้เหร อ, อวันก่อนสามถุงเมื่อวานสองถุงวันนี้เพิ่งรู้จักท้องตัวเองวันนี้เหร อ, อนาง เามนะ่เมาพอดีตัวเล็กๆยกมือไหว้ร้องให้อีกต่างหากเอ้ยวันก่อนก็คือพ่อกับแม่อของหนูเอาให้อาหารพ่อพ่อก็ตายพอเมื่อวานนี่ก็แม่ก็ตายอีกอวันนี้ก็ยังแต่หนูคนเดียวมันก็ต้องได้อาหารเอาอาหารถุงถุงเดียวยวันนี้นั่นแหละพ่อครัวได้ยินท่านสลดสังเวชใจอย่างมากโอ้ไอ้หนูถึงยังไงก็มาอยู่กับพ่อนะ พ่อเนี่ยจะเป็นพ่อให้ให้ลูกเลยนะลูกนะมาอยู่กับพ่อน่นพราเด็กไม่มีที่พึ่งก็ต้องมาอยู่กับพ่อครัวอะไรทนี่นี่แหละ น, นี้ล่ะประวัติคือคือนางสามาวดีจากนั้นก็นางเนี่ยเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วท่านี่เป็นโยนิมีปัญญามาอยู่กับพ่อมาช่วยอาหารทำรงทานกับพ่อท่านี้คนทั้งหลายเวลาเข้ามารับอาหารมันแย่งกันใช่ไ อคนนั้นเอานี่คนนี้เอานั้นเสียงอตร โ, โรเฮโรแท้เลยนางสามาวดีนะั้นบอกว่าเอพอ่อน่าจะทําเป็นซองเข้ามาเอทําเป็นคิวเข้ามาทําเป็นลั้วเข้ามาเดินเข้ามาทีละคนละคนไม่ดีกว่าเหรอพรมันแล้วก็เราให้ให้ให้ไปแล้วมันจะเร็วกว่าอันนี้มันแย่งกันอย่างนี้กว่าจะจะให้ใครตกใครนะมันมันสับส น, นวุ่นวายอดรโรอีกต่างหาก อย่างทังพ่อเออชายไหมเขาก็เลยทํารั้วเท่นี่ทำเป็นซองเข้าไปเข้าไปตามซองเนะ่ยเข้าไปก็บห้ไปให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปคนมันก็เงียบเลยเท่นี่เออไม่มีเสียงเนะ่ยเออเพราะมันมันไม่ได้แย่งกันฮงแต่ทางลืทางเศรษฐีนอนอยู่ในบ้านนะี่ยเออพ่อครัวเนะี่ยมันไม่ทํามันไม่ตั้งโลงทานเออแต่ก่อนนะเออได้ยินหน้านี่ประมาณสักเจ็ดแปดโมงเสียงสนันวันไหว คนมาแย่งกันทา น, ทานอาหารมาแย่งอาหารกันแต่วันนี้ทำไมวันสองวันทำไมมันเงียบวะไเศรษฐีเลยลงมาลงมาก็เลยมาถามไอพกขวัวไม่ได้ทำอาหารเลยถามครับทำปกติครับเอาทาไมมันเงียบนักวะไม่มีไม่ได้ยินเสียงคนเลยโอ้ผมทำวิธีใหม่ทำเป็นช่องเข้ามาแล้วก็ทำเป็นซองเข้ามาให้คนเข้ามาตามช่องแล้วก็แจกอาหาร มันเลยไม่แย่งกันเอา้าตะกอนทำไมไม่ท อ, อผมยังไม่รู้ครับอันนี้ใครแนะนำละลูกสาวของผมครับเอา้าแต่แกมีลูกสาวอยู่เหรอมีครับลูกสาวบุญธรรมครับเฮะที่ไหนเนี่ที่น่ะาลูกสาวผมเลยแนะนำตูนเล็กๆอายุสิบสามสิบสี่ปีนะี่ยที่ไหน เ, เศรษฐีโคสกะเนะ่ยถามเอ้ยอีนางามาจากไหนเนี่ยวะ อบอกมันเด็กน้อยกว่าบบหนูเป็นเอามาจากเมืองอะไรพาลนสศีอะไรอะไรามากับพ่อกับแม่พ่อชื่อว่ายังไงพ่อชื่อว่างั้นเอานามสกุลนั้นแม่ชื่ออย่างงั้นว้าวอันนี้มันลูกของเพื่อนนี่ว่าใช่ไม่เป็นเศรษฐีมามาไหมใช่เจ้าข้าเอ้ยเอพ่อครัวอันนี้ไม่ใช่ลูกของเธอเนะ่ยลูกของข้าเออนี่แหละ ผู้โครศรกกะเขาเลยเอาอหญิงสาวน้อยคนนั้นมา เ, เ, เป็นไปเป็นลูกลูกสาวน่อันนี้หลวงพ่ออยากจะเล่าอยากจะพูดให้ฟังว่าผู้ตั้งโรงทานเนี่ยต้องใจใหญ่ต้องใจกว้างขวางไม่ใช่ว่าเขาขอน้อยนึงเราก็ไม่พอใจมันก็พ่องบุญพ่องไปในใจแล้วนะหลวงพ่อนะหวานน ะ, ะคือนิดหน่อยนะเราไม่เป็นไรถ้ามันเกินไป อาจารว่าเป็นความโลภเราก็ควรจะห้ามปรามนะไม่ควรจะให้ไม่ควรจะส่งเสริมความความโลภของคนเอแต่ว่าขนาดขอคนสองคนเออเราควรจะให้เพราะเหตไรเออพราะลูกออหรือพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านมาเลยมากินของอร่อยโอ้กินของอร่อยจริงๆก็มาคิดถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเป็นอมพิกอมภาดอยู่ทางบ้านนะ่า้ยผมขอชักถุงด้วยเท่าน่าแต่เราไม่รู้จกว่าเขาจะเอาไปให้ใครใช่ไหม เขาอาจจะเอาไปให้พ่อให้แม่ของเขาให้ลูกของเขาให้ภรรยาสามีของเขาที่เป็นอ ม, พอมาภพกอมภพา ท, ที่อยู่ในบ้านเพราะเขาได้ทานอาหารอร่อยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมองให้ไกลๆเอาไว้นะอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลน้ําจิตน้ําใจทั้งหมดคณะสัตยาธิโยมโ ล, ลูกหลานในเมื่อไปตั้งโรงทานนาสถานที่ใดต้องใจ ก, กว้างนะเพราะเราไปทําบุญไปทําทานอยู่แล้ว แต่ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปแล้วก็ยกให้ยกให้อันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะาเราถ้าอย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งโรงทานถ้ายกให้เข า, เาก็ต้องทำให้ดีให้เรียบร้อยอแจกให้ทั่วถึงแต่ถ้าว่าเขามีความจำเป็น เ, เราก็ให้เขาแบ่งให้เขาซะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนางสามาวดีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการแจกทานนะหรือโรงทานเนี่ย การสร้างโรงทานการทำโรงทานทำไมการเสียสละลงไปแล้วทำไมคนจึงตั้งโรงทานออได้ยินหลวงพอ่อได้ยินมากต่อมากเพราะว่าเมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทานตั้งโรงทานแล้วเนี่ยเราเห็นคนมารับทานแล้วมาคนมารับของไถ่ทานของเราเโอ้เขาแย่งเขาเรียงคิวเข้ามาออบางทีกับเหงื่อตกหยาเหงื่อออก เ, ออเขามามารับเราก็ให้ไปในขณะที่ให้เนี่ย ใจของเราก็มีความมีความสุขในการให้แล้วก็เขาที่รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับไป เ, เขาได้ทานาแล้วทีนี้ใ น, นสงของการทำบุญทำทานเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วตอก่อกนในธรยทมาค้าขายไม่ขึ้นไม่เกินฟืดๆเครื่องๆแต่พอเรามาตั้งโลงทานเข้าไปแล้วกลับไปถึงบ้านแล้วตั้งจิตอธิษฐานในใจเออบุญกุศล มาช่วยผู้ค้าโดยเธอจะได้มีอุปสรรคในการทามาค้าขายรู้สึกมันราบเรื่นเออมันไหลเรื่นไปเออรู้สึกว่าการกิจการงานการทามาค้าขายรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นเออเวลาทำต้องตั้งโรงทานที่ไหนออพวกเราเห็นไหมขนาดการเสียสละยังมีการรวมกันออคนละมากคนละน้อยออรวมกันก็นมาตั้งโรงทาน เพื่อเลี้ยงแขกเลี้ยงคนจากนั้นก็ถวายอาหารพระสงฆ์ด้วยเนี่ยนะลบทแกก็คือเป็นน้ำจิตน้ำใจเป็นบุญกุศลเกื้อกูลนุนพวกเราท่านทั้งหลายบุญบุญคำนี้เนะี่ยมันมองไม่เห็นตัวนะไม่ไม่่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นตัว เ, เหมือนกับพวกเราเห็นเป็นรู ป, ปธรรมแต่มันเป็นนามธรรมมันเป็นพลังฮนะมันเป็นพลังออกมาทางด้านจิตใจลึกๆนะ ถ้าพวกใดถ้าผู้ใดได้ทําแล้วพวกนั้นจะรู้สึกอย่างลงพ่อเรียรู้รู้สึกเต็มใจเลยว่าอันนี้สงฆ์แห่งแงการทําทานนะ ม, มันไม่ไปไหนหรอกเมื่อเราทําความชั่วนั้เมื่อทําความชั่วความชั่วก็ไม่ไปไหนเหมือนกันเข้ามาสู่จิตใจเมื่อเราทําความคุณงามความดีคุณงามความดีก็เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ ปุญญานิประโลกัจสมิงปฏิฐาโหนติปานีหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตทางหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยแหละทางโลกนี้ก็มีความสุขถ้าคนทําคุณงามความดีไปนัดสถานที่ใดคนก็ยกย่องเชิดชูบูชานับหน้าถือตาเพราะอะไรเพราะทําความดีถ้าทําความชั่วไปที่ไหนคนก็รังเกียจเดียดสันไม่อยากจะเข้ามาใกล้ไม่อยากจะมองอีกต่างหาก เพราะเหตุเพราะทํากรรมที่ไม่ดีกรรมชั่วนะในเมื่อพ้นจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วนะคนที่สร้างคุณงามความดีนะมุ่นเทวดาเอารถมารอรับไปบนอากาศแล้วตายขึ้นมาเมื่อไหร่เขาฟิญญาณก็ขึ้นรถขึ้นไปสู่สวรรค์รับไปสู่สวรรค์ชั้นไหนต้องการจะไปชั้นไหนเลือกไปได้ทั้งนั้น เ, เพราะเหตุอะไรเพราะเราทําบุญถ้าหากว่ า, าเราทํากรรมชั่วนะ เขาก็มาลับเหมือนกันนะเป็นทหารทหารยมพบาลทหารยมมาโทษเขาก็ล็อกแขนเหมือนกันนะไม่ให้ไปไหนเหมือนกันนะจากนั้นเขาก็พาไปไต่สวนจะลงนรกหลุมไหนเขาก็ถามเลยทำกรรมอันไหนไว้มันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรอีกนะเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ออรของพยายมพะบาลยมมาโทษเขา จะซักไซไลเลียงอได้ดีจากนั้นเขาก็เอาลงนรกหมกไหมไปเออนี่แหละสิ่งลังทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยให้ฟังเอาไว้อย่าเพิ่งเชื่อแต่มนุษย์โลกนี่นยไม่ต้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อดูสอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอามีดไปยั่หัวกันเลยสิเดี๋ยวผู้กํากับที่นั่งอยู่ที่นี่ตำรวจลมจับทันทีแหละ จากนั้นก็เอาไปขังห้องขังนะออกจากห้องขังก็ส่งเข้าไปในห้องขังใหญ่เมืองอุดอรเนะ่ะพ่อยแหละเพราะทํากรรมชั่วถ้าทํากรรมชั่วเราเห็นเลยในมนุษย์โลกถ้าทํากรรมดีเห็นไหมหลวงพ่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโจรเข้ามาตั้งแต่เช้านะปินธบาตคนไซบาตรผ้าสงกับหลวงพ่อจากนั้นก็เนี่มานั่งอีกต่างหากถวายพระทหาร ดูแลพระสงฆ์เพราะนี่แหละสรุปแล้วก็คืออะไรคือทําความดีสร้างคนงามความดีมาด้วยกันการสั่งสมดีการสังสมคุณงามความดีนี่แหละความดีจนนี่แหละเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วไปอยู่นสถานที่ใดคิดขึ้นมาเมื่ อ, อไรใจของเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขลึกๆในจิตในใจ น, นั่นแหละคือการสร้างบุญสร้างกุศล ตรงกันข้ามกับการสร้างบาปถ้ากานสร้างบาปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะน่ะถ้าทํากรรมชั่วมากก็ได้รับมากถ้ากรรมทำกรรมชั่วน้อยก็ได้รับน้อยเพราะนั้นในหลักทำคําสอนว่าความชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัตว์ทยญาติโยมฟังไว้เนะนี่แหละ วันนี้หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดกติธรรมสอนลูกสอนหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมสรุปแล้วคืออยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีความดีคุ้มครองอยู่นัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าความชั่วเข้ามาสู่จิตใจแล้วใจของเองเออมันคล้ายๆว่ามันเหี่ยวมันแห้งมันอับมันเฉา มันมีมันละทมด้วยความทุกข์ในจิตในใจเพราะนั้นพวกเราควรจะเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะเลิศประเสริฐกว่านะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะนัตินะีเนอพระสงฆ์ทั้งหมดทั้ง75รูปนะวันนี้นะให้พรให้พวกเราท่านทั้งหลายรับพร อ, <c oughs> อุทิศส่วนกุศลด้วยนะอุทิศส่วนกุศลด้วยพวกเราได้มาทำบุญในวันนี้ถึงจะไม่ได้มาวันพรุ่งนี้ แต่พวกเราได้มาทําบุญกับพระสงฆ์ทั้งหมดเถวายพาระตถาคนด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าได้ทําบุญบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขนาดญาติมีส่วนในการทําบุญของข้าพเจ้าด้วยถ้าว่าท่านตกทุกข์ระยากให้ท่านให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้ามีท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ ง, งขึ้นไป คือเราคิดในใจอย่างนั้นในขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนี่แหละพลังใจพลังใจส่งถึงใจพลังกายก็ส่งถึงกายถ้่พวกเราเห็นอยูน่นะเราก็ยืน่นเงินเงินคำทรัพสมบัติให้อันนี้ก็คือให้ทางกายแต่ส่วนท่านจากไปแล้วท่านไม่มีร่างกายท่านมีแต่วิญญาณเราก็ส่งดวงวิญญาณส่งพลังใจของเราบุญกุศลที่เราได้ทา ความดีไว้แล้วนะ่ะเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายจงได้รับความสุขใจทุกๆท่านเด้อเราได้คึกนึกใ น, กนใจอย่างนั้นเวลาเร า, เ, าเราทำบุญเรามาทำบุญเลามารับพรนะจากพระสงฆ์ในวันนี้นะ